สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านวันนี้ผมมีข้อมูลเรื่องโรคเบาหวานมาเล่าสู่ท่านผู้ฟังเนื่องจากในวันนี้องค์การอนามัยโลกก็ถือว่าโรคเมตาบิลิกซินโดมหรือโรคการเผาผลาญสารอาหารผิดปกติถือเป็นโรคระบาดใหญ่ไปทั่วโลกแล้วและโรคเบาหวานก็เป็นหนึ่งในอาการของโรคเมตาบิลิกซินโดม หรือโรคที่เกิดการเผาผลาญสารอาหารผิดปกติบทความนี้เขียนโดยแพทย์หญิงปุณชิตาติรสุรานน์แพทย์สายาชาติซึ่งท่านเขียนลงในวิกิพีเดียสารานุกรมเสรีในเว็บไซต์ซึ่งเป็นฐานข้อมูลอินเทอร์เน็ตและอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นข้อมูลจากเว็บไซต์ของดร์เมอร์คลาเว็บไซต์จากสหรัฐอเมริกา เบาหวานเป็นความผิดปกติของร่างกายที่มีการผลิตฮอร์โมนอินซูลินไม่เพียงพอหรือร่างกายเกิดภาวะดื้ออินซูลินอันส่งผลทําให้ระดับน้ําตาลในกระแสะเลือดสูงกว่าปกติโรคนี้มีความรุนแรงสืบเนื่องมาจากการที่ร่างกายไม่สามารถใช้น้ําตาลได้อย่างเหมาะสมโดยปกติน้ําตาลจะเข้าสู่เซลล์ร่างกายเพื่อใช้เป็นพลังงานภายใต้การควบคุมของฮอร์โมนอินซูลินในผู้ป่วยที่เป็นโรคเ บ, บาหวานจะไม่สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลที่เกิดขึ้นทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นมากในระยะยาวจะมีผลในการทำลายหลอดเลือดทำลายระบบประสาทส่วนปลายถ้าหากไม่ได้รับการรักษาอย่างเหมาะสมอาจนำไปสู่สภาวะแสกซ้อนปี2550พบผู้ป่วยเบาหวานทั่วโลกแล้วถึง246ล้านคนโดยผู้ป่วยเบาหวานทั่วโลก4ใน5เป็นชาวเอเชียประวัติของเบาหวาน ภาวะเบาหวานมีการค้นพบมานานแล้วในยุค ข, ของอียิปต์กรีซโรมและอินเดียในเบื้องตน้นรายงานว่ามีอาการน้ำหนักลดปัดสสาวะบ่อยและปัสสาวะมีรสหวานจึงได้มีการแนะนำทั้งด้านอาหารปีพศ .613 ชาวโรวมันชื่อเอรีเอตสได้ทำการบันทึกอาการกระหายน้ำและปัสสาวะบ่อยโดยตั้งชื่ออาการว่าไดอะเบติสซึ่งมีความหมายในภาษาอังกฤษว่า t o four true ต่อมาในปีพศ2218โทมัสวินลิสแพทย์ชาวอังกฤษได้กล่าวถึงรสหวานในปัสสาวะในชื่อของ m e l i t u สซึ่งหมายถึงฮานีไลค์หรือเหมือนกับน้ำผึ้งในที่สุดการแพทย์ในยุคนั้นได้เสนอแนะว่าสาเหตุของโรคเบาหวานเกี่ยวข้องกับการแทนที่คาร์โบไฮเดรตชนิดและสาเหตุของเบาหวานเบาหวานสามารถแบ่งออกเป็น2ชนิดได้แก่เบาหวานชนิดที่1 สาเหตุของโรคเบาหวานชนิดที่1เกิดจากภูมิต้านทานของร่างกายทำลายเซลล์ที่สร้างอินซูลินในตับอ่อนทำให้ร่างกายหยุดการสร้างอินซูลินดังนั้นผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่1ึงจึงจำเป็นต้องฉีดอินซูลินเพื่อควบคุมน้ำตาลและเลือดระยะยาวแม้นักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถอธิบายอย่างแน่ชัดว่าทำไมภูมิคุ้มกันของร่างกายจึงทำลายเซลล์ของตับอ่อน แต่เราก็ทราบว่าปัจจัยที่เพิ่มความเสี่ยงให้กับโอกาสการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่1คือการได้รับสารพิษการติดเชื้อการแพ้น ม, มวัวโดยเฉพาะในเด็กเล็กโรคเบาหวานชนิดที่2สาเหตุที่แท้จริงยังไม่ทราบชัดเจนแต่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพันธุ ก, กรรมนอกจากนี้ยังมีความสัมพันธ์กับภาวะน้ําหนักตัวมากการขาดการออกกําลังกายและวัยที่เพิ่มขึ้นเซลล์ของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่2ร่างกายยังคงมีการสร้างอินซูลิน แต่ทำงานไม่เป็นปกติเนื่องจากมีภาวะดื้อต่ออินซูลินทำให้เซลล์ที่สร้างอินซูลินค่อยๆถูกทําลายไปบางคนเริ่มมีภาวะแสกซ้อนโดยไม่รู้ตัวและต้องการยาในการรับประทานและบางรายต้องใช้อินซูลินชนิดฉีดเพื่อควบคุมน้ำตาลในเลือดอาการของผู้ป่วยเบาหวานหากพบอาการดังต่อไปนี้ควรปรึกษาแพทย์ปัสสาวะมากขึ้นและบ่อยครั้งขึ้น ปัสสาวะกลางคืนบ่อยขึ้นคือระหว่างช่วงเวลาที่เขานอนจนถึงเวลาตื่นนอนอยู่น้ำบ่อยและดื่มน้ำในปริมาณที่มากๆเหนื่อยง่ายไม่มีเร็วแรงน้ำหนักตัวลดโดยไม่ทราบสาเหตุโดยเฉพาะถ้าหากน้ำหนักเคยมากมาก่อนติดเชื้อบ่อยกว่าปกติเช่นติดเชื้อทั้งผิวหนังและกระเพาะอาหารสายตาพร่ามองเห็นไม่ชัดเจนเป็นแผลหายช้า โดยเฉพาะด้ดยมะหวานชนิดที่2 อ, อาจจะมีอาการเหล่านี้บางอย่างหรืออาจไม่มีอาการเหล่านี้เลยผู้ป่วยเบหวานในระยะแรกมักไม่พบอาการผิดปกติใดๆยกเว้นจะมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่าคนปกติเท่านั้น